อนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ241 1. 1. ้ิภิกษุให้ทําเป็นของที่เป็นเดนแล้วฉันสองภิกษุรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะให้ทําเป็นของที่เป็นเดนก่อนจึงฉัน3าภิกษุรับไปเพื่อภิกษุอื่น4ีภิกษุฉันพัตทหารที่เหลือของภิกษุผู้เป็นไข้5ภิกษุฉันของที่เป็นยามก า, กากาลิกสัตตาหกาลิก และยาว่าชีวิตเมื่อมีเหตุผลที่สมควร 6. ภิกษุวิกลจริต 7. ภิกษุต้นบัญญัติปฐมปรวรณาสิขาบทที่5จบ